สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่98แล้วนะครับเป็นครับพอประการที่4ครับหรือความสุขประการที่4ครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่6นะครับและในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่21ครับพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่6อ่านได้ความดังนี้นะครับโปรดฟังประวัติะของพระเจ้า บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผูน้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์โปรดฟังอีกสองครั้งนะครับบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์พียงครับพระธรรมตอนนี้นะครับได้อธิบายความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างคริสเตียนกับพระเจ้า ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาผมขอทบทวนก่อนนะครับพรสี่ประการแรกนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้มาตลอดทั้งสามสี่วันที่ผ่านมานี้พรประการแรกนะครับหรือความสุขประการแรกเกิดจากความรู้สึกบกคร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้แผ่นดินสวรรค์นะครับเขาจะได้แผ่นสวรรค์เขาจะครอบครองแผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นพรประการแรกสั้นๆนะครับว่าบกคร่องครองแผ่นดินพรประการที่สองก็คือบุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประลม น, นะครับผู้สั้นๆก็คือโศกเศร้าเล้าลมความประการที่สามก็คือคนที่มีจิตใ จ, จอ่อนโยนครับบุคคลผู้ใดมีจิตใ จ, จอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนะครับสรุปความสั้นๆว่าอ่อนโยนโอนมรดกอันนี้โลกนี้นะครับในวันนี้ครับหิวความชอบทำดื่มดำความอิ่มบริบูรณ์นะครับเป็นความปรการที่สี่ พี่น้องครับคำสอนของพระเยซูนะครับเกี่ยวกับพรหรือความสุขสี่ประการแรกก็เน้นในอธิบายนะครับถึงท่าทีของความคิดและจิตใจของคริสเตียนนะพูดง่ายๆก็คือว่าพระเยซูเน้นเรื่องเ a ทกับฮนะครับกับ h าร์ตเนี่ยในพรสี่ประการแรกนะครับแต่ในพรสี่ประการหลังครับพระเยซูเน้นเรื่องเฮนนะครับ แทนที่ว่ามือกับที่เป็นการกระทําเพราะฉะนั้นสี่พรสี่ประการแรกเน้นความคิดการกระทํานะครับเฮดกับฮาร์ดอ่าขอโทษครับเน้นความคิดและจิตใจนะครับเฮดกับฮาร์ดแต่พรสี่ประการหลังนะครับเน้นที่แทนก็คือการกระทําท่าทีที่สําคัญครับท่าทีนี่สําคัญมากเพราะท่าทีที่จะได้รับพรนั้นก็จะเป็นท่าทีที่เขาจะต้องเชื่อฟังทําตามเงื่อนไขนะครับของพอร เพราะฉะน้นคริสเตียนจะบรรลุถึง พ, พ ร, ร, ระพรสีการแรกเขาจะต้องมีสัญชาตยานที่มีท่าทีตอบสนองนะครับต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับต่อสิ่งต่างที่เข้ามาในชีวิตของเขานะครับเขาจะต้องมีความรักความเมตตาเขาจะต้องมีความบริสุทธิ์เขาจะเป็นคนที่สร้างสันติเขาจะต้องยอมรับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เขาจะต้องต่อสู้เขาจะต้องเข้มแข็งนะครับในขณะเดียวกันเขาต้องอ่อนโยนอ่อนสุภาพนะครับและรู้สึกบกพร่อง ่อมใจของเขาไหลายลงพี่น้องครับพระพรที่สี่นี้เป็นพระพรที่อธิบายความสัมพันธ์นะครับที่ถูกต้องระหว่างเรากับพระเจ้านะครับพระเยซูกําลังอธิบายถึงความหิวฝ่ายวิญญาณนะครับความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณเหมือนกับในพระธรรมเจ ด, ดูดีบทที่สี่สิบสองนะครับได้บอกว่าข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกาวกวางน้อยนะครับที่หิวกระหายนะครับหิวกระหายหา อยากจะเข้าใกล้พระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าหิวกระหายหาความชอบธรรมความหิวกระหายตรงนี้นะครับก็คือคนที่เหมือนกับอดอยากยากจนนะครับกําลังจะตายครับอยู่ในแผ่นดินธุรกันดาลอยู่ในแผ่นดินแห้งแล้งไม่มีพชืชผลไม่มีพืชพันธัญญาหารคาดฝนนะครับแอ่งน้าต่างๆก็แห้งขอดนี่คือสภาพของแผ่นดินแห้งแผ่นดินธุรกันดารแผ่นดินที่มีดินแตกคร้าวนะครับ คนที่อยู่ในสภาพนี้แหละครับเข้าถึงจะเข้าใจความหิวและกระหายดังที่อธิบายไว้ในข้อนี้ได้เพราะฉะนั้นความหิวกระหายตรงนี้นะครับเป็นความหิวกระหายที่มากนะครับเป็นความรู้สึกตัวเองเนี่ยคร่องอยากจะอิ่มนะครับพี่น้องครับเราลองดูชีวิตของคนที่เขาก็ไปถึงสกเกลของใกล้กับความอิ่มบริบูรณ์นะครับเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ไม่ว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับหรืออยู่ในขีดอักรของเรานะครับคนใดก็ตามที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าคนคนนั้นเนี่ครับชีวิตของเขาเนี่ยรับการเติมเต็มนะครับชีวิตเขาจะอิ่มครับพี่น้องลองดูชีวิตของพี่น้องเหล่านี้นะครับว่าเขานัเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาไหมถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นชีวิตที่อ๋อต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราเออเราก็อยู่สวนของเราเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าเรากําลังจะขาดพระพร ประการที่สี่นี้ครับเพราะอะไรครับเราไม่เคยมีความรู้สึกหิวกระหายเลยพี่น้องครับความหิวนั้นมีพลังผลักดันให้เราสแสวงหาเพื่อเพิ่มเพิ่มเติมให้ชีวิตของเราเต็มนะครับโปรดฟังข้านะครับความหิวนั้นมีพลังผลักดันให้เราสแสวงหาการเติมเต็มของชีวิตการเต็มอิ่มของชีวิตนะครับการเต็มอิ่ ม, ม, มนั้นหรือการเติมเต็มนั้นจึงจะได้ดับความหิวกระหายของเราได้แด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับทําให้เราทั้งหลายนะครับ จะต้องเข้าใจนะครับนักปกครองเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีครับนักปกครองเนี่ยหรือคนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการปกครองเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ประชาชนหิวนะอย่าปล่อยให้ประชาชนคนของคุณหิวนะเพราะว่าถ้าเราผลักเขาสู่มุมของความหิวนะครับเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้และเรียกร้องเอาอํานาจคืนนะครับนักปกครองสอนหนึ่งนี้ครับอย่าให้คนหิวครับทําให้เขาอิ่มนะครับแล้วทําให้เขาสบายนะครับแล้วเขาก็จะเชื่อฝัง แล้วเราจะปกครองเขาได้นะครับพี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ให้เราอิ่มเพื่อที่พระเยซูจะปกครองเราครับแต่พระเยซูต pues voilà nope. ้องการให้เรารู้สึกหิวนะครับกระหายหาความชอบธรรมเพื่อท Line ี่พระเยซูจะป้อนเรานะครับด้วยความรักของพระองค์ด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยความชอบธรรมที่พระองค์เตรียมให้กับเราเราจะเต็มอิ่มนะครับและการเต็มอิ่มนี้จะดับความหิวกระหายของเราได้ พระเจ้าขอพราไทยที่เห็นความหิวกระหายความชอบธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อทุกทุกคนครับนะครับความหิวนั้นผลักดันให้เราเกิดความกระตือรือร้นนะครับในการแสวงหาพระเจ้าและจากความกระตือร้นตรงนี้ทําให้เราได้รับการเติมอาหารฝ่ายวิ ญ, ญญาณจากพระเจ้านั่นคือปัจจุบของพระเจ้า <c oughs> เมื่อเราได้รับการเติมอาหารเติมแรงที่มาจากพระเจ้าการเสริมกําลังที่มาจากพระเจ้านั่นเองทําให้จิตวิญญางของเราก็จะเติบโตเข้มแข็งและไปถึงความ สมบูรณ์ในที่ฉุดชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นมาจากแรงผลักดันของความหิวกระหายครับปัญหาของเราทั้งหลายที่เป็นคเครื่เสียนทุกวันนี้นะครับก็คือผู้เชื่อนั้นเบื่อหน่ายอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับผู้เชื่อนั้นไม่รู้สึกหิวครับผู้เชื่อไม่กระตือรือร้นที่จะอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์สแสวงหาพระเจ้านะครับไม่อยากร่วมสามัคคีธรรมในกลุ่มแครในกลุ่มเซลลกับพี่น้องในเครือจกักร เวลาที่มีการอธิษฐานนะครับจํานวนคนอธิษฐานเนี่ยจะน้อยครับเนี่นครับเราไม่รู้สึกถึงความจําเป็นความสําคัญนะครับเราไม่มีความหิวในเรื่องของความชอบธรรมเลยทําให้เกิดความอ่อนเปลี้ยฝ่ายวิญ ญ, ญาณครับนะครับอ่อนเปลี้ยฝ่ายวิ ญ, ญญาณนะครับคนที่หิวนะครับถ้าไม่รับการเติมเต็มไม่ได้กินอาหารครับร่างกายเขาอ่อนแออ่อนเปลี้ยในที่สุดในที่สุดนั้นก็จะนํามา ถึงอันตรายนะครับในชีวิตของผู้ที่เชื่อพี่น้องครับผมอยากจะถามว่าในเวลานี้ครับความหิวกระหายฝ่ายวิญญาณของเราอยู่ในระดับไหนครับถ้าแบ่งเป็น5้าระดับนะครับระดับหิวมากครับเบอร์ห้าครับระดับไม่หิวเลยนะครับเบอร์หนึ่งครับพี่น้องลองติ๊กดูนะครับลองเดาดูนะครับลองเขียนดูนะครับว่าเราอยู่ในระดับไหนครับพี่น้องครับความอิ่มบริบูรณ์นะครับในภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าได้การเติมให้เต็มครับ การเติมให้เต็มตรงนี้นะครับในชีวิตของคริสเตียนนั้นก็คือเต็มด้วยพระเจนะนะครับและเต็มด้วยการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับการรับกําลังรับการเจิมเตมที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับคํานี้นะครับคําว่ารับการเติมเต็มนั้นในภาษากรีกนั้นถอดความนะครับจากอธิบายใช้อธิบายความก้วนทวนสมบูรณ์ของสัตว์เลี้ยงครับนะครับนั่นหมายความว่าพระเจ้า จะสรงอวยพระพรคริสเตียนที่ปรารถนาอย่างมากหรือมีความหิวกระหายหยัางมากนะครับมีดีไซอร์อย่างมากเนี่ยที่จะกระทําสิ่งที่ชอบทําที่ถูกต้องและเขาจะได้ความอิ่มบริบูรณ์อย่างเหลือทนพี่น้องครับหิวกระหายความชอบธรรมความชอบทา น, นีน้นั้นได้รับโดยอะไรครับโดยพระคุณเป็นพระคุณที่มาจากพระเจ้าเป็นการที่พระเยซูได้ทรงชิ้นพระชนเพื่อเราไม่ให้เข็น พระเยซูได้เตรียมความชอบธรรมให้กับผู้เชื่อผู้ที่บังเกิดใหม่ทุกคนแต่ตรงนี้นี่เองครับเราต้องหิวกระหายความชอบธรรมความชอบธรรมนั้นก็คือความถูกต้องนะครับความดีงามทั้งหลายเพียงครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับผมอยากจะมอบพระคัมภีร์สักตอนหนึ่งให้เป็นของขวัญในวันนี้นะครับในยอห์นหนึ่งยอห์นบทที่สองครับข้อสิบห้านะครับเราลองพิจารณาดูนะครับว่าโลกนะครับเป็นศัตรูกับแผ่นดินสวรรค์ครับ นะครับโลกอยู่คนละด้านกันนะครับพระเยซู Mi สอนว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกในหนึ่งยอนบทที่สองนะครับก็เช่นเดียวกันครับอักขระทูตยอห์ผู้เขียนนั้นได้บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นนะครับอักขรทูตยอหเนี่ยเขียนอะไรนี่ชัดเจนตรงไปตรงมาครับปันธ o n ครับถ้าผู้ใดรักโลกความรักต่อพระบิดา ไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังตัณหาของตาและความทะนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ยั่วยวนของโลกกำลังจะล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระไถยของพระเจ้าจะดํารงอยู่เป็นนิจนะครับพี่น้องครับข้อท่องจาในวันนี้คืออย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นพี่น้องครับให้จิตใจของเรานะครบหิวกระหายนะครับความชอบธรรมครับอย่ารักโลกครับหรือสิ่งของในโลกนะครับให้เรารักพระเจ้าพระบิดาเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้พรประการที่สี่นี้อาเมน